มีโยมคนไหนไม่เคยมาบ้างไหมโอ้โยเยอะเนาะมาจากไหนกันเยอะแยะมาจากไหนเออคือเวลาภาวนาเวลาพูดธรรมะนะ ม, นมันเหมือนนักเรียนหลายรุ่นอยู่ในห้องเดียวกั น, น <S <S <S <S พูดยากนพูดที่สาราลงชิดยากที่สุดเลย คนเยอะลหลากหลายธรรมะมันไม่เสมอกันา น, นธรรมะแตกแป่งไปแป่งมาช่วงหลังๆโยมมาใหม่ๆเยอะธรรมะหลวงพ่อเปลี่ยนรู้สึกไนะ <c oughs> บางคนบอกอยากฟังธรรมะที่ละเอียดละเอียดลยึกซึ้งอย่างนี้คนฟังไม่ค่อยมีธรรมะจริงๆแนละ้วเราฝึกฝนอบรมตัวเองไป วันหนึ่งจิตใจเราจะเข้าถึงสันติสุขตัวสันติสุขเนี่ยตัวสำคัญคนทุกวันนี้รู้จักแต่ความสุขอย่างอื่นไม่รู้จักสันติสุขสุขของความสงบเนี่ยเราไม่รู้จักเรารู้จักแต่ความสุขอย่างอื่นสุขเพราะว่าไปแย่งชิงได้อนุนได้อนี้มาแล้วมีความสุขนะสุขเพราะได้ครอบครองสิ่งโน้นสิ่งนี้สุขเพราะได้มา ความสุขที่อิงอาศัยสิ่งภายนอกความสุขที่อาศัยการแย่งชิงอย่างหนุม่มหนุมก็แย่งสาวรู้สึกไหมมันเป็นประเพณีประเพณีของหมาของแมวก็ทําอย่างนั้นแหละเหมือนกันนี่สันติสุขเนี่ยพวกเราไม่รู้จักบางคนไม่เห็นคุณค่าด้วยซ้ำไปพระพุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่น เสมอด้วยความสงบไม่มีอีกทีหนึ่งท่านบอกว่านิพพานังปรมามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขที่สุดเลยเป็นบรมสุขอันหนึ่งท่านบอกนิพพานเป็นความว่างนิพพานก็คือตัวสันตินั่นเองความสงบที่เรียกว่าอุปัสมะความสงบงั้นถ้าเราภาวนาถึงจุดหนึ่งใจเราเข้าถึงความสงบนะ ความสงบที่แท้จริงมันจะมีความสุขความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขอย่างโลกๆนะได้มาแล้วก็เสียไปย่งชิงกันนะเหน็ดเหนื่อยแทบตายเลยได้มาแป๊บเดียวสุขอยู่แป๊บเดียวนะเนดี๋ยวก็เบื่ออไรเงี้ยไปย่งกันใหม่มันเราอยากได้เข้าได้ของหาเงินไปซื้อมานะมีความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวอยากได้อีกหออีกลว ความสุขอย่างนี้ไม่เต็มอิ่มเลยเราไม่รู้จักความสุขของสันติของความสงบมีหลายชื่อนะคบว่านิพพานนิพพานชื่อว่าสันติความสงบก็ได้อุปัสสาก็แปลว่านิพพานเหมือนกันนี่ทำไงใจเราจะเข้าถึงความสงบได้นะเราต้องดูก่อนว่าทำไมใจเรามันไม่มีความสงบสุขสักทีจิตใจเราไม่มีความสงบสุขสักทีเนี่ย ว่าจริงๆเราไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้จักตัวเองเหรอกเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราที่แท้จริงเราคิดว่าไอเนี้ยคือตัวเราแล้วเรารักที่สุดหวงแหนที่สุดเราก็พยายามปลนเปลื่มันจะให้มันมีความสุขมากที่สุดนะแต่ปลนเปลืเท่าไหร่มันไม่พอใจอย่างร่างกายนะหาข้าวมาให้มันกินเดี๋ยวมันก็หิวอีกแล้วนะมันสบกัปลกมาพามันไปอาบน้ําเดี๋ยวมันก็สบกับปลกอีกแล้ว ริบัติมันเท่าไหร่ก็ไม่จบอะจิตใจก็เหมือนกันนะรนิบัติมันเท่าไหร่ก็ไม่จบมีความอยากขึ้นมานะดินรนตอบสนองอิ่มมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาอีกแล้วอยากอีกแล้วเดี๋ยวอยากโ น, น่นเดี๋ยวอยากนี้เพราะมันไม่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมันไปคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรารักมากเลยห่วงแหนมากพระเจ้าเลยสอนให้เราย้อนมาดูสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเรา ย้อนมาดูตัวเองมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจนะจนวันนึงเห็นความจริงเลยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงร่างกายเป็นของที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองเบื้องต้นยืมธาตุของพ่อของแม่มาใช้นะต่อมาก็อาศัยธาตุของโลกอาศัยอาหารอาศัยน้าอาศัยอากาศเลยนี้เรียงมันตโตขึ้นมา วันหนึ่งก็คืนเจ้าของเดิมคืนโลกไปถ้าเรามีสติมีปัญญาตามดูกายบ่อยๆเราเห็นความจริงอย่างนี้นะมันจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจลงไปยึดถือกายก่อนคลายออกมันจะไม่รักไม่หวงแหนมากก็ไม่รักไม่หวงแหนมากยังไม่ทุรนทุรายมากสบายขึ้นเยอะเลยาจากนั้นก็มาดูใจของเราจิต ใ, ใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูลงไปเรื่อยๆ เราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราชั่วคราวทั้งหมดเห็นซ้ำแล้วซ้าอีกอย่างนี้ความสุขก็ชั่วคราวแล้วจะดิ้นรนหามันทาไมความทุกข์ก็ชั่วคราวจะดิ้นรนเกลียดชังมันทาไมใจจะค่อยๆสงบไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วใจค่อยสงบเข้าสงบเข้าถึงจุดที่ปัญญามันแจ้งจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ จิตเป็นทุกข์ล้วนๆให้แจ้งตรงนี้เมื่อไหร่นะจะปล่อยวางจิตแล้วความทุกข์จะแพ่่พานเข้ามาอีกไม่ได้ละที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนีง้ตรงที่เราหมดความยึดถือจิตใจของตัวเองพองเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะจิตใจจะมีแต่ความสุขมีความสงบมีสันติมันไม่ต้องดิ้นรนนะมันไม่หิวแล้วเคยมีคนถามหลวงปู่ ม, มั่นถามแบบแกล้งอะ่ะถามแบบร่วงเกินท่านตอนนั้นท่านไปกุณ คนมาถามว่าท่านมาโคราชเนี่ยท่านมาหาอะไรท่านต้องการอะไรที่มาที่โคราชถ้านบอกคนที่จะหาอะไรต้องหิวนะท่านไม่หิวแล้วท่านไม่ได้มาหาอะไรท่านมาทำงานของท่านพระมีหน้าที่ทำงานของพระนะพระมีหน้าที่ภาวนาศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้ธรรมะมาได้ธรรมะแล้วก็มีหน้าที่สืบทอดธรรมะส่งทอดธรรมะไป เหมือนการต่อเทียนนะต่อกำไมเป็นช่วงช่วงช่วงจากพระพุทธเจ้าสงทอดกันมาเรื่อยๆไม่ขาดช่วงบางช่วงน่าสงสารนะคนที่รับสืบทอดตาบอดแต่ก็อุตส่ารักษาเทียนนั้นไว้ได้สืบทอดมาเรื่อยๆมาถึงพวกเราอย่ารักษาเทียนคือธรรมะเอาไว้เนี่ยจะเป็นคนตาบอดหรือตาดียังไม่รู้ เขาภาคเพียรกันนะในการรักษาเอาชีวิตข้าแรกสืบทอดกันมาตาบอดหมายถึงว่ามีแสงสว่างอยู่แต่มองอะไรไม่เห็นรักษาคำภีไว้รักษาตำราไว้สืบทอดกันมาโดยที่ไม่ได้ริมรสชาติของความสงบสุขนี่พวกเราได้ลงมือภาวนาจิตใจได้รับรสชาติของธรรมะนะไม่ถือว่าตาบอดอะ หรือว่าเริ่มตาดีแล้วอาจจะตาหมัวบ้างแล้ว <c oughs> บางทีก็หันไปหากิเลสทีก็ตาใสาขึ้นมาเป็นวันวันแต่ก่อนรักษาธรรมะยากมากนะราละรุ่นก่อนๆเอาชีวิตเข้าแลกกันมารักษาไว้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้อะไรเท่าไหร่อย่างสมัยยุทยาพระเจ้าบรมโกศนะลังกาเนี่ยไม่มีศาสนาพุทธขาดช่วงไป มาขอพระเมืองไทยไปสืบทอดพระก็ไปนะไปเรือแตกวรรณะภาพซะเยอะแยะเลยปี2ปีต่อมาทางรังกาส่งมาส่งข่าวมาว่ยังไม่ได้พระเลยส่งไปอีกนะพระก็ไปนะอันนี้รอดไปรอดไปหรือธรรมะจะถ่ายทอดจากจีนไปญี่ปุ่นเนี่ยมีพระทางญี่ปุ่นนะมาบวชอยู่เมืองจีนแล้วมานั่งรอก ลอกคำภีลงไปในไม้ไผ่ไม้ไผ่เป็นซี่ๆหนักนะลอกๆ อ, อกไปลอกอยู่ตั้งหลายปีนะคัดคำภีเสร็จแล้วก็ผลข้ามฝั่งไปญี่ปุ่นเรือมันโดนพายุมันหนักคำภีมันหนักมากโดนพายุเรือมันเพียบเนกลับจันเรือมันเอาไม้ไผ่นั้นโยนน้ําไปเลยท <c oughs> ่านก็กลับมานั่งคัดใหม่ ท่านเหล่านี้นะภาคเพียนภาคเพียนหรืออย่างพระโสราพระอุตรละนะเจ้าโศกส่งมาเมืองไทยไม่ได้กลับไปส่งมาชวณภูมิต้งไม่ได้กลับไปตายบ้านเดิมที่ท่านเหล่านี้สืบทอดธรรมะมาอย่างยากลําบากกว่าพวกเราจะได้ธรรมะ ม, มายากนะแต่ว่าพวกเราไม่รู้เราเกิดมาเราก็เห็นว่ามีธรรมะเต็มบ้านเต็มเมืองเราคุ้นเคยเราประมาทนิ่งนอนใจ เอาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้หรอกเชื่อเถอะคนที่คิดอย่างนั้นไม่ได้กินหรอกต้องเรียนรู้จริงๆนะเรียนรู้ธรรมะ ก, ก็มีสองอันเบื้องต้นเรียนรู้จากการฟังก่อนจักการ่านจากการฟังแต่แนะนําว่าต้องอ่านพระไตรปิฎกนะถ้าจะอ่านหนังสือรุ่นหลังๆก็เคลื่อนไปบ้างอะไรบ้างหรือถ้าจะฟังคําสอนครูบาอาจารย์ ก็ต้องศึกษาธรรมะมาบ้างแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจริงๆเพราสิ่งที่ครูบาอาจารย์ชั้นหลังๆสอนเนี่ยบางทีไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนมีมากมหาศาลเลยที่ครูบาอาจารย์ชั้นหลังๆสร้างขึ้นมาเองอย่างพระพุทธเจ้าสอนนะบอกว่าให้มีความรู้สึกตัวนะในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนท่านบอกให้มีความรู้สึกตัว พวกเราไม่ได้สนใจคําสอนพระพุทธเจ้านะเราคิดแต่ว่าเดินท่าไหนถึงจะถูกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าเดินมีกี่จังหวะต้องเดินท่านี้ถึงจะถูกนะต้องเอามือวางตรงนี้ถึงจะถูกนะต้องเอาตาทอดอยู่แค่นี้ถึงจะถูกนะท่านไม่ได้สอนนะหรือท่านสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้คู่บันลังตั้งกายตรงดงํารงสติเฉพานะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาว ของเราก็อหายใจเข้าก่อนหายใจเข้าหายใจออกกลับข้างกับที่ท่านบอกนะท่านบอกหายใจออกก่อนหายใจออกก็รู้หายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าพอเราหายใจเข้าก่อนหายใจเข้าแล้วยังกําหนดอีกต้องรู้ลมกระทบจุดนั้นจุดนี้นะสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดนะมีกระทบจุดน้นจุดนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอก หรร่างกายเคลื่อนไหวท่านให้รู้สึกให้รู้สึกคําว่ารู้สึกก็ไม่ได้แปลว่าบริกรรมเพรวกเราชั้นหลังก็ชอบบริกรรมนะชับคิดกํากับลงไปอย่างถ้าเราแค่รู้สึกเห็นร่างกายมันพองมันยุบเนี่ยรู้สึกคิดกํากับลงไปว่านี่พองนี่ยุบ น, นี่คิดนะนี่เกินเกินที่พระพุทธเจ้าบอกมันเป็นอุบายที่อาจารย์ชั้นหลังสร้างขึ้นมา บรรดาอุบายทั้งหลายเนะี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวใช้ได้เฉพาะคนบางคนใช้ได้บางคนก็ใช้ไม่ได้ใช้เหมือนกันไม่ได้มอย่างหลวงพอเทียนพัฒนาการขยับมือมี14บจังหวะดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระเจ้าสอนแค่ว่านะเคลื่อนไหวก็รู้ใช่ไหมจะคูจะเหยียดจะเลี้ยวซ้ายแรงกว่ารู้สึกแต่ท่านรู้สึกท่านพบว่าถ้าท่านขยับมืออย่างเงี้ยสติท่านเกิดท่านรู้สึกตัวไม่เผลอนาน ท่านคนพบอย่างนี้ถ้าท่านขยับไปเพื่อจะไม่เผลอนานใช้ได้นะใช้ได้เพราะร่างกายมันก็ขยับอยู่แล้วแต่ถ้าคิดว่าต้องขยับท่า น, นี้ถึงจะบรรลุเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคําสอนที่เกินเกินเยอะมากเลยทุกวันนี้เยอะมหาศาลแล้วเราก็ชอบทะเลาะ ก, กันว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหน คจริงสำนักไหนสอนตรงที่พระพุทธเจ้าบอกก็ดีทั้งนั้นแหละอุบายก็ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะแต่ต้องรู้ว่าเป็นอุบายไม่ใช่หลักอย่างบางคนดูท้องฟองยุบก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้แต่ดูท้องฟองยุบแล้วต้องรู้หลักเห็นรูปมันพองเห็นรูปมันยุบใจเป็นคนรู้รูปแยกรูปแยกนามอย่างนี้ไม่ใช่ไปเพ่งใส่อยู่ที่ท้องฟองยุบจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องเป็นสมถะ ถ้าดูท้องพองยุบก็เห็นท้องมันพองเห็นร่างกายมันพองร่างกายมั น, ย, มนยุบไปนะจิตเอยวไปเพ่งใส่ท้องให้จิตสักว่ารู้สักว่าดูอยู่ดูอยู่ห<อ>่างๆ<อ>พวกเราเวลารู้อะไรจิตชอบถลำลงไป<อ>มันไม่ยากเลยนะหลวงพ่อพูดไว้เยอะแล้วในซีดีที่โยมทำเนี่ยกี่แผ่นแล้วนะโยมสิบกแผ่นนะ1ิกแผ่นฟังได้เกือบเดือนแล้ว จริงๆฟังแผ่นเดียวก็พอหรือฟังครั้งเดียวก็พอฟังกันเดียวแค่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อพูดเหมือนๆกันแทบทุกวันต่างกันนิดๆหน่อยๆตามคนฟังคนฟังกลุ่มนี้ฟังแบบนี้รู้เรื่องคนฟังกลุ่มนี้ฟังแบบนี้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อหาเดียวกันทั้งหมดเลยคือเรื่องทำยังไงเราจะมีสติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจทายังไงระหว่างรู้ต้องมีสัมมาสมาธิ ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ถลำลงไปรู้ท้าังไงเมื่อรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้แล้วสักว่ารู้จบลงที่รู้แล้วก็เห็นความจริงของกายของใจพูดหลักๆ ก, ก็มีอย่างนี้นะเหมือนกันทุกวันพูดทำไงสติจะเกิดให้สติเกิดสติไม่ได้เกิดจากการบังคับต้องพูดละเอียดมากนะคนสมัยโบราณบอกให้มีสติเขาก็มีสตินะของเราคิดมากหลังๆ สติแปลว่าความระลึกได้พวกเรารุ่นหลังไปแปลสติว่ากําหนดกําหนดไม่ใช่สตินะกําหนดมันเป็นการจงใจไปจ้องอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องด้วยโลภด้วยโลภเจตนาจงใจไปกําหนดนั่ไม่ใช่สติตัวแท้หลายคนไปจ้องกำหนดไปเรื่อย เสร็จแล้วก็ตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่ตัวเล็กตัวหนักนะบูบูบวาบ้บ า, บาผลลุกผลพองนะนี่มันเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยมันไม่ใช่สติที่เป็นสัมมาสติจะฟังอะไรเนอะเนาะเราใส่ไปต้องเกณฑ์พวกภาวนาแบบ ได้ประณีตละเอียดให้เบียนกันมาฟังบ้างธรรมะมันจะได้ลึกซึ้งบางคนบ่นอโอ้ยธรรมะช่วงหลังมันไม่ลึกซึ้งอีกหน่อยคงเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนจนได้อ่ะคนฟังพันคนสอง0 3 0ส0ันนะมามันจะตื้นหลงตื้นหลงล้วใครจะส่งกันบ้านส่งหน่อยก็แล้วกันไมโครโฟนหายไปไหนล่ะเอาว่าไปเฮ้ เคยไปกราบหลวงพ่อที่สวนโพครับแล้วก็ปฏิบัติเองฟังซีดีอ่านหนังสืออ่านแล้วอ่านอีกฟังแล้วฟังอีกวันนี้ได้มากราบเรียนหลวงพ่อว่าที่ทําอยู่นี่ถูกไหครับเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นบ้างครับเยอะไหมก็เห็นเนืองๆครับยิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับเราวัดตัวเองเลยว่าภาวนาดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่เราเห็นกิเลสไหมถ้าเราเห็นกิเลสเยอะแยะเลยนะยิ่งดี ส่สติเราไวแล้วทำไมต้องเห็นกิเลสทำไมไม่ไปเห็นกุศลเพราะในความเป็นจริงแล้วจิตของเราแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละคนเนี่ยแทบไม่มีกุศลเลยอกุศลจะเกิดทียิบเลยตลอดเวลาเลยกุศลเนี่ยนานๆเกิดทีหนึ่งงั้นถ้าหากเรามีสติว่องไวจริงๆเราจะเห็นอกุศลเกิดบ่อยกิเลสก็เกิดทั้งวันเย แว บ, บหนึ่งเกิดแวบบหนึ่งเกิดแวบบหนึ่งเกิดนะในเวลาวินาทีหนึ่งสองวินาทีก็เกิดทีหนึ่งละอคูโสรตัวสําคัญนะคือโมหะใจฟุ้งซ่านใจลอยสังเกตไหมใจลอยเกือบตลอดเวลาไหลแวบบแวบบแวบบแวบบนะมีหน้าที่รู้บ่อยๆรู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อไม่ให้เกิดกิเลสจะปลักให้แม่นแม่นนะพวกเรา เรารู้กิเลสไม่ใช่เพื่อจะห้ามไม่ให้กิเลสเกิดไม่ใช่เพื่อว่ากิเลสที่เกิดแล้วเราจะหาทางละมันแต่เรารู้กิเลสเพราะว่ากิเลสมันเป็นธรรมชาติจริงๆที่กำลังปรากฏอยู่นี่พะเรามีสติไปรู้ปั๊บเนี่ยกิเลสจะดับให้ดูเกิดความรู้สึกตัวขึ้นแท น, นจิตที่รู้สึกตัวอยู่ได้แป๊บเดียวก็ดับเกิดจิตที่มีกิเลสขึ้นแทนมันจะสลับไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้เอาจิตที่มีสติไม่ได้เอาจิตที่มีสตินะไม่ได้เอาอะไรสักอย่างเลยแต่มีสติขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้มีอกุศลจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเสร็จแล้วเราก็เผลอไปอีกพอมีสติขึ้นมาอีกทีเราอยากรู้เลยแต่ก่อนหน้านี้มีสติอยู่แล้วก็ดับไปเกิดจิตอกุศลจิตอกุศลก็ดับอีกแล้วมันจะเห็นแต่ความเกิดแล้ดับเกิดแล้ดับสืบเนื่องไปเรื่อย ถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดตัญญาขึ้นมาเห็นเลยว่าจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับคือจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับไปจิตอกุศลทั้งหลายเช่นใจลอยไปคิดเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปทั้งหมดนี้เสมอภาคกันนะตรงนี้ตัวสําคัญเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาดีไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาจิตที่มีสติตลอดเวลาจิตที่มีสติเป็นเครื่องอาศัยรู้ว่าเมื่อกี้ไม่มีสติแล้วนี่เสร็จแล้วเราจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับตรงนี้ดูออกไหม เนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับอย่างจิตบางดวงก็มีความสุขใช่ไหมแล้วก็ดับไปบางดวงมีความทุกข์แล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลแต่ละดวงแต่ละดวงเช่นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตสงสัยอะไรเกิดแล้วก็ดับหมดเลยเนี่ยดูซ้ําแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาเลยว่า สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทั้งหมดถ้าใจมันแจ้งตรงนี้มันยอมรับความจริงตรงนี้เราจะได้ท่าโสดาบันอย่าภาวนาอ้อมค้อมนะหลายคนอ้อมค้อมมากเลยท่าโสดาบันเนี่ยรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องอ้อมค้อมไปเรียนอย่างอื่นมากมายไม่ต้องเรียนธรรมะให้มากมายนะแค่รู้ลงปัจจุบันแล้วเห็นว่าทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปเรียนเท่านี้พอละ เรียอยู่เท่านี้พอคุณรู้สึกไหมใจคุณไม่เหมือนเดิมใจมันสว่างใจมันสงบใจมันมีความสุขรู้สึกไหมใจมันตั้งมั่นมากขึ้นใจมันเบาเนี่ยจิตที่เป็นกุศลจริงๆมันเกิดขึ้นมาจิตจะเบาจิตจะนุ่มนวลจิตจะอ่อนโยนแต่ตอนนี้เป็นจิตอกุศลโลงไปคิดเนี่ยไปละรู้สึกไหมไม่ต้องทัน ต้องตามรู้ลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงนะไม่ใช่ลงไปรู้ไปนะไม่ได้จิตกูศนกับจิตอกูศนไม่เกิดพร้อมกันจิตที่ลงเป็นอกูศนต้องเกิดไปก่อนแต่แล้วเกิดจิตที่รู้สึกตัวเป็นกูศนเกิดทีหลังมาตามรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปอันเนี้ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมหลวงพ่อบอกเรารู้ไหมยังไม่รู้อีกเหรอ <c oughs> ไม่ต้องทันไงจำไว้นะไม่ต้องทันนะเขาเรียกว่าการตามรู้ ตามรู้ไม่ใช่ต้องทันตามรู้หมายถึงว่าโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลคไปก่อนแล้วรู้ว่าโลคหลงไปก่อนเรารู้ว่าหลงแต่รู้ใว้ใวนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ใช่ไม่ได้นะโกรธมาห้านาทีแล้วยังไม่ทันจะหายเลยเกิดนึกขึ้นได้ว่าอ้าวโกรธนี่ยความโกรธจะดับวับเลยเนะกิดรู้สึกขึ้นแทนเลยเป็นขณะขณะไปนั่งฝั่งหลวงพ่อพูดนะดูไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยก็ได้ สังเกตไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังฟังได้นิดเดียวก็ไปคิดดวออกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังสลับกับคิดดูออกไหมนะต่อไปนี้ทุกคนเอาอย่างนะคอยฟังหลวงพ่อแล้วก็สังเกตตัวเองไปสังเกตไหมว่ามันฟังสลับกับคิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวหรอกนะเบอร์ย8ไปคิดแล้วรู้สึกไหมนั่นะคุณผู้หญิงที่ใส่แว่นตาเนี่ยเบอร์อะไร ไปเสียบตะกร้าเบอร์สามสิบสี่เมื่อกี้ใจลอยไปใจมันหนีไปนะเบอร์สิบเก้าใจลอยละรู้สึกไหมหนีแว บ, บไปนะเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดอย่าบังคับตัวเองนะบังคับตัวเองเยอะไปนะเบอร์สิบแปดใจลอยรู้สึกไหมเนี่ยนะดูอย่างนี้นะหัดดูของจริงไปสงสัยต้องเล่นแบบนี้แล้ว <c oughs> ดูจะทำยังไงเลยเยอะเกิน เอาเบอร์22สสนใจคนอื่นลืมตัวเองเบอร์59รู้สึกไหมชักเครียดแล้วใจมันเครียดขึ้นมาให้รู้ทันนะรู้ลองปัจจุบันไปสังเกตไหมทีแรกใจเฉยๆเรามาใจเครียดใจไม่เหมือนเดิมให้คอยดูใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เ, เขาแสดงใจรักให้ดูอยู่ตรงนี้ต่อไปเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจิตใจชนิดใดนะก็อยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลย อย่างคุณผู้ชายเบอร์51เนี่ยรู้สึกัหมเราลืมตัวเราเองกันแล้วอันเนี้ยมาตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดเราจะลืมตัวเราเองใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมยังไม่ยอมเลิกใหม่ๆงงอย่างนี้แหละงงไปก่อนนะอดทนนะหลวงพ่อให้เรียนฟรีไม่ได้เก็บตังค์นะงั้นทนทนไว้เรียกร้องอย่างเดียวนะว่าทนไว้หน่อยโดนไล่ไล้สักพักหนึ่งนะ เดี๋ยก็เข้าใจยากเบอร์28่แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมอ้าเบอร์40ใจลอยไปแล้วเป็นห่วงลูกห่วงได้นะไม่ได้ว่าอะไรเบอร์77หนีไปแล้วจำเบอร์ตัวเองด้วยนะไม่ใช่บอกเบอร์แล้วว่าใครวะนะจำไม่ได้นะแต่บางคนมองไม่เห็นนะ บางกันไปบางกันมาบางคนเนอะาิยัดใต้เสือก็มีไม่รู้จะเอาไปพกไว้ทำไมนะมันไม่ได้ยากอะไรนะหัดดูความรู้สึกของตัวเองนะหัดง่ายๆหัดดูความรู้สึกของตัวเราเองความรู้สึกทุกชนิดเรารู้จักอยู่แล้วความรู้สึกทุกชนิดเรารู้จักอยู่แล้วอย่างความโลภเราก็รู้จักใช่ไมความโกรธเราก็รู้จักรู้จักไหมเคยโกรธไหม เบอร์ห้เดคยโกรธบ้างไหมเคยกลัวบ้างไหมกลัวเป็นเหมือนกันเหรอเคยกังวลไหมกังวลก็เป็นเหรอเคยอิจฉาบ้างไหมเคยเหมือนกันเหรอเคยดีใจเสียใจเคยทั้งนั้นเหรเนาะใช่ไหมจริงๆแล้วพวกเรารู้จักสภาวธรรมที่เป็นนมามธรรมอยู่แล้วนะถามมากี่ตัวกี่ตัวรู้จักหมดเลยอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยถามเด็กๆยังรู้จักเลย หน้าที่ของเรานะถ้าอยากภาวานาก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปฝึกบังคับตัวเองอะไรให้วุ่นวายให้คอยอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเราจะรู้เลยความรู้สึกของเรานะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็กลัวเดี๋ยวก็กังวลเดี๋ยวหยิบช้าเดี๋ยวพยาบาทอาฆาตอรอย่างเงี้ยใจนี้จะเวียนไปเรื่อยๆอารมณ์โน้นมาทีหนึ่งอารมณ์นี้มาทีหนึ่ง เราค่อยดูใจของเราไว้เราจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายไหลเวียนมาเรื่อยๆแต่อย่าไปเพ่งใส่ใจนะอย่าไปเพ่งจิตของเราให้นิ่งอย่าไปทําให้นิ่งให้คอยรู้เวลาอารมณ์มันไหลามาไหลไปมันผ่านมาผ่านไปเราทาตัวสบายๆทําใจสบายๆเหมือนเราอยู่ในบ้านของเราเองเราเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านมาเท่านั้นเดี๋ยวคนนี้สวยๆเดินมาเนี่ยเราก็ดีใจเราก็รู้ทันนะ เห็นมาบ้ามาเห็นของหอมๆมาเห็นของเหม็นๆมาอะไรเงี้ยในใจเราเนี่ยจะมีของแปลกปลอมเข้ามาเป็นระยะระยะผ่านมาผ่านไปทั้งวันให้ค่อยรู้ไปรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะได้เห็นว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นเรียนง่ายๆแค่นี้แหละเรียนง่ายๆอย่างนี้แหละเขาเข้าถึงธรรมะมาเยอะแล้วนะฝึกไปง่ายๆสังเกตใจเราตอนนี้เป็นยังไงรู้สึกไหม ใจเราชอบแอบไปคิดตัวออ้นยังใจเราแอบไปคิดเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะดูไปสมพงศ์ไปไหนแล้วพอหลวงพ่อเริ่มไล่จี้สังเกตไหมใจเริ่มแข็งแข็งส่วนใหญ่ พ, อ, พอหลวงพ่อเริ่มไล่จี้คนนั้นคนนี้นะใจเราเริ่มแข็งแข็งขึ้นมากลัวโดนจนะี้เนี่ยให้เรารู้เลยใจเราแข็งแข็งขึ้นมาเราก็รู้นะตอนนี้ยังไม่จี้นะทําใจสบายสบาย รู้สึกไหมผมบอกว่ายังไม่จี้นะขำๆใจคลายออกดูออกไหมใจเริ่มคลายออกของคุณติดเพ่งนะแล้วมันจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูมนจะนิ่งๆเพราะฉะันการที่เราเผลอไปลืมดูตัวเองเนี่ยศัตรูเบอร์หของการปฏิบัติทําให้ไม่สามารถดูกายดูใจตัวเองได้ศัตรูเบอร์สคือการนั่งเพ่งไว้กายก็นิ่งๆใจก็นิ่ง ๆ, งๆไม่มีอะไรผ่านไปผ่านมาให้ดูถ้าไม่มีอะไรให้ดูก็เหมือนไม่ได้ทํากันบ้าน งั้นอย่าไปบังคับให้ใจนิ่งยกเว้นแต่ว่าวันไหนมันฟุ้งซ่านมากดูไม่รู้เรื่องแล้วนั่นแหละค่อยทําใจให้สงบทําสมถะถ้าวันไหนจิตใจเราสบายสบายอย่างตอนนี้ส่วนใหญ่ใจจะสบายๆนะให้เราคอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้ไปเรื่อยเสื้อเขียวที่เอาป้ายไปแปะไว้ให้เสือใจลอยไปแล้วเบอร์รอะไรหลวงพ่ไม่เห็นหรอก เอนะอบอร์ห้าส้ต้องให้โลงพ่อจาโบเป็นไงโบนั่งเมื่อกี้ก็สังเกตเห็นมีฟุ ง, ฟงสั้นน้อยอยู่เจ้าค่ะก็ไปวัดป่าเขาน้อยมาสัก2อาวันเจ้าค่ะหลวงตาผนึกไปไหมไปเจ้าค่ะแต่ว่าท่านเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเป็นเกี่ยวกับปอดนะคะ แล้วก็เมื่อวานก็ไปกราบท่านที่วัดเลยเจ้าค่ะทัานจะเก้าสิบนะท่านหอบๆเจ้าค่ะออสอนไม่กี่คำนะเจ้าค่ะก็หอบพูดเท่าอย่างนั้นนะเอาไว้ไหวเอาไ ว, าไ ว, าไว้ทําบุญค่ะหายากนะหายากท่านบวชเมื่ออายุหกสิบเนยบวชเมื่ออายุเยอะมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียแล้วมาบวชแลภาวนาหาตัวจับยาก จิตท่านไวนะท่านผนึกเราเข้าไปหาท่านจิตแรกจิตแรกไปภาวนาอยู่วัดป่าดงคูของหลวงพ่อกิมแต่หลวงพ่อกิมไม่อยู่แล้วไปอยู่ที่วัดท่านเฉยเฉเสร็จแล้วไปถามพวกคนที่วัดว่าในเมืองสุรินยังเหลือพระอยู่บ้างไหมบอกเหลืออยู่องค์หนึ่งหลวงตาผนึกก็พากันไปนะไปกับคุณน้อยอพากไปด้วยไปถึงวัดท่านนะเงียบเลยปิดไม่มีคนเลยนะ เนี่ยเปิดประตูเข้าไปเขมีคนสองสามคนผู้ชายกําลังมากวาดเป็นที่เป็นโบสตอนเนี้เมื่อก่อนเป็นกุฏิท่านข้างล่างเป็นโลงๆข้างบนเป็นไม้เ้ากาลังมากวาดมาปูเสือ่อถามเขานะว่าหลวงตาผนึกอยู่ไหมรอกเดีย <c oughs> เด๋ยวมาเดี๋ยวมาเราก็นั่งร อ, อทำไมเดี๋ยวนานนัก น, นะถามท่านอยู่กุฏิไหนบอกอยู่นี่แหละเอาแล้วทําไมเดี๋ยวมา กำลังเดินตัดทุ่งมาท่านไปธุระอีกวันหนึ่งนะแล้วอยู่ๆท่านก็บอกโยมพวกนี้ให้รีบขีม่มอเตอร์ไซค์มามีโยมมาที่วัดละให้มากวาดพื้นไว้ก่อน <c oughs> แล้วท่านเดินมาเดินตัดทุ่งจิตท่านไหวนะอย่าไปกวนท่านนะไม่ทำท่านตายเร็วนะเมื่อวานไปแนะนำตัวว่าเป็นกลุ่มลูกศิษย์ของพระอาจารย์ก ท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากแต่สอนแต่เด็กๆที่ไปว่าให้รักพ่อให้รักแม่ได้พูดได้แค่นั้นก็บุญแล้วจะเก้าสิบละนี่เป็นลงพูดดูนะเก้าสิบยังพูดคล่องภาวนาจริงการภาวนาไม่ยากหรอกนะดูของเรารู้สึกไหมหลวงพ่อเล่าอะไรนิดเดียวลืมตัวเองหมดเลยรู้สึกไหมคิดใหญ่เลยจะต้องไปขอหวย <c oughs> มีคนเอารถไปให้ท่านเจิมนะชาบเอารถไปให้ท่านเจิมท่านก็ถือไม้เทา้าก๊อกก๊๊มาท่านเจิมคนนี้ไม่ค่อยรักรถนะก็เจิมด้วยนิ้วนะคนนี้มันห่วงรถมากเลยท่านเจิมด้วยไม้เทา้าป่องป่ <laughs> พอแล้วหลวงตาเจิมพอแล้วรู้ <laughs> สึกไหมขำรู้สึกนะรู้สึกไป มาใหม่ๆฟังหลวงพ่อเข้าใจยากนะใช้เวลานิดนึงฟังสองครั้งสามครั้งถึงจะเข้าใจทางที่ดีฟังซีดีมาก่อนแนละ้วก็ค่อยๆสังเกตใจด้วยวิธีที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นะค่ออ่านความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆฝึกทุกวันแปบ๊บเดียวก็เข้าใจแล้วไม่ต้องมาเรียนธรรมะมากเลยเราจะรู้ธรรมะด้วยตัวเองธรรมะไม่จําเป็นต้องมาฟังเยอะเลยฟังให้รู้วิธีที่จะดูจิตตัวเองได้เนี่ย เสรแล้วเราก็ตามดูของเราเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ย ว, ยวร้ายดูทุกวันนะดูเรื่อยๆแป๊บเดียวก็เข้าใจธรรมะทั้งหมดจะเข้าใจด้วยตัวเองเลยธรรมะทั้งหมดมันออกมาจากจิตนี่เองจิตพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธ์ธรรมะก็ออกมาเยอะหน่อยจิตพวกเราหมอมแแ ม, ม่นะธรรมะก็ออกมาแต่ฝ่ายกิเลสเยอะฝ่ายกุศลไม่ค่อยมีธรรมะฝ่ายกิเลสเกิดเดยอะเราก็เรียนธรรมะที่เป็นกิเลสของเราเนี่ยกิเลส ท, ทุกอย่างเกิดเราก็ดับเช่นเดียวกับกุศลนั่นเอง งั้นไม่ใช่ว่าต้องไปเกลียดกิเลสนะแต่ว่าไม่คล้อยตามกิเลสหรอกอแปดโมงพอดีเป๊ะเลยไ ป, ไปเชิญทานข้าวกันนิมนต์ับนิมนต์